4. อัตตกามะปาริจริยาสิกขาบทเพราะการกล่าวสันเสริญการบำเรอความใคร่ของตนเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. กล่าวสันเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อนหน้ามาตุคามต้องอาบัตสังคาทิเศตสกล่าวสันเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อนหน้าบันดอก ต้องอาบัตทุลัใจสามกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตว์ดิริชานต้องอาบัตทุกกฎ